องประกอบที่เกื้อหนุนแก่สมาธิข้อที่หอมัคคะสามาัคคีพร้อมได้ที่ดังได้กล่าวแล้วว่าความมุ่งหมายของสมาสมาธิก็เพื่อให้เป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาหรือพูดให้กว้างว่าเพื่อทำให้จิตเป็นสถานที่เหมาะสมดีที่สุดที่องธรรมทั้งหลายจะมาทำงานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือการรู้แจ้งสัจธรรมกำจัดกิเลสถึงภาวะดับปัญหาไร้ทุกข์และก็ได้กล่าวแล้วเช่นเดียวกันว่าองค์มรรคทั้ง8ประการทำงานประสานสอดคล้องส่งเสริมกันโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านำทางไปจึงเป็นอันได้ความในตอนนี้ว่าองค์มรรคอื่นทั้งเจข้อเป็นเรื่องเกื้อหนุนให้กำลังแก่สมาธิช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นได้ ดำรงอยู่ได้ดีเป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องซึ่งจะใช้ได้ผลตามต้องการส่งผลคืบหน้าต่อไปอีกจนถึงจุดหมายโดยช่วยให้เกิดองคธรรมเพิ่มขึ้นอีกสองอย่างในขั้นสุดท้ายเรียกว่าสัมมายาณคืออย่างรู้ชอบและสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นชอบเมื่อมองในแง่นี้ ท่านเรียกองค์มารอื่นทั้งเจข้อว่าเป็นสมาธิบริขารแปลว่าบริขารของสมาธิหมายความว่าเป็นเครื่องประกอบเครื่องแวดล้อมเครื่องหนุนเสริมหรือเครื่องกรุงของสมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยบริขารนี้แล้วเรียกว่าเป็นอริยสัมมาสมาธินำไปสู่จุดหมายได้ ดังบาลีว่าสมาธิบริขารเจ็ดประการเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงจัดวางไว้เป็นอย่างดีแล้วเพื่ออบรมบ่มสัมมาสมาธิเพื่อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิเจดประการไหนได้แก่สัมมาทิทฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเอกคตาแห่งจิตที่แวดล้อมด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้เรียกว่าสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะซึ่งมีอุปนิสัยคือมีที่อิงที่ยันที่รองรับบ้างมีบริขารคือมีเครื่องประกอบหรือเครื่องช่วยหนุนบ้างเมื่อมีสัมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะจึงพอแก่การ เมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณหรือสัมม า, ายานจึงพอแก аров, ่การเมื่อมีสัมมาญานสัมมาวิมุตติจึงพอแก่การ พุทธพจน์จากทิฆานิกายมหาวัคในทีฆานิกายปาติกวกั์กล่าวถึงเฉพาะตัวสมาธิบริขารในมัชฌิม น, นิกายมูลปันนาดกล่าวเฉพาะสมาธิบริขารตัวที่ใกล้ชิดที่สุดคือสัมมาวายามะอย่างเดียวส่วนคำพีเนติปกรณ์จัดเอากายที่ผ่อนคลายสงบไม่เครียดหรือไม่กระสับกระส่ายว่าเป็นสมาธิบริขาร อันหนึ่งคาว่าพอแก่การแปลาจากปะโหติจะแปลว่าจึงพอเหมาะได้ก็ได้มักมีองแปดหรืออัถังคิกระมักนี้เมื่อจเจริญครั่งพร้อมถึงที่ ก็จะถึงขีดและถึงขณะหนึ่งซึ่งองค์มรรคทั้งหมดร่วมกันทำหน้าที่ให้เกิดยานอันแรงกล้าสว่างขึ้นมาอย่างเห็นสัจธรรมและกําจัดกวาดล้างกิเลสที่หุ้มห่อบีบคั้นจิตออกไปการที่องค์มรรคทั้งหมดทำหน้าที่พร้อมกันเช่นนี้เรียกว่าเป็นมรรคเพราะเป็นขณะซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมดครบเป็นมรรคจริงเมื่อมรรคทาหน้าที่แล้ว ก็มีภาวะที่เป็นผลตามมาคือความรู้ความเข้าใจในศสัจธรรมและความหลุดพ้นจากกิเลสไร้สิ่งบีบคั้นเป็นอิสระเรียกสั้นๆว่าผลถ้าทุกอย่างค่อยดำเนินไปตามลำดับจะมีการทำหน้าที่ของมรรคเช่นนี้ที่แรงหรือเบสเสร็จยิ่งขึ้นจนเสร็จสิ้นรวมทั้งหมดสี่คราวหรือสี่ขั้น จึงเรียกว่ามรรคสีและภาวะที่เป็นผลก็จึงมีสีเช่นเดียวกันรวมเรียกว่ามรรคสีผลสีหรืออริยมรรคสีอริยผลสีคือโซดาปฏิมรรคโซดาปฏิผลสกัทธาคามิมรรคสกัทธาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรค และเอารหัตผลจะเห็นว่ามร์นี้ว่าโดยองประกอบมี8ดจึงเรียกว่าอัดทัง ก, กิกมร์แปลว่ามร์มีองแปดแต่ว่าโดยปฏิบัติการหรือการทำกิจมีสี่ลำดับขั้นเรียกกันว่าจตุมร์แปล ว, ว่ามร์สี่คู่กับจตุผลคือผลสี่ คำเรียกรวมที่ใส่จำนวนเข้าด้วยเป็นจตุมักหรือจตุมักคะนี้เกิดขึ้นในชั้นอัตถกถาและตามปกติมาในรูปที่สมาธกับคําอื่นอาการที่องค์ทมทั้งหลายทาหน้าที่พร้อมกันในขณะเจ็ดเดียวอย่างผลที่ต้องการให้สำเร็จนี้ท่านเรียกว่าธรรมะสามคัคคีและธรรมะสามัคคี ก็คือโพธิอันได้แก่ความตรัสรู้คำว่าธรรมสามัคคีเท่าที่พบมีใช้ครั้งแรกในขุตการนิกายมหานิเทศน่าสังเกตว่ามักมีการเอาคำว่าธรรมสามัคคีไปสับสนกับคำว่ามักคะสมังคีซึ่งหมายถึงบุคคลผู้ประกอบพั่งพร้อมด้วยมัคขั้นใดขั้นหนึ่ง ในอริยมรรคสี่ขั้นส่วนที่มัชฌิมานิกายอุปริปันธามีธรรมสามัคคีซึ่งใช้ไปอีกความหมายหนึ่งในขณะแห่งมรรคนี้มีใช่เฉพาะองค์มรรคเพียงแเท่านั้นแม้โพธิปักจียธรรมทั้ง37ประการก็เกิดขึ้นทำหน้าที่พร้อมหมดในขณะจิตเดียวกัน มีต้นเขาการอธิบายเรื่ององคมร์และองค์ธรรมต่างๆเกิดในขณะแห่งมร์ขณะจิตเดียวดูได้ที่คุตการนิกายปฏิสัมพิธามร์และในสมัยอัตกถาเช่นวิสุทธิมร์และสมโมหวิโนทนีอย่างไรก็ตามโพธิปัจกิยธรรมทั้งหมดนั้นก็สรุปลงได้ในองมร์ทั้ง8ดนั่นเองดังนั้นเมื่อพูดถึงมร์ ก็จึงเป็นอันครอบคลุมถึงธรรมมาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโพธิปัจกยธรรม37คือสติประธาน 4, สส ม, มัชประธานสอิทิบาส4อิน 5, รีห้าพละห้าโพชงเจ็ดและมักมีองค์8อาจมีผู้สงสัยว่าองค์มักหลายอย่าง จะทำหน้าที่ในขณะหนึ่งขณะเดียวกันได้อย่างไรโดยเฉพาะองค์ฝ่ายศีลเช่นสัมมาวาจาและสัมมาการมันตะดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องในกรณีอย่างนี้เลยปัญหาข้อนี้คงจะตอบให้เข้าใจได้ด้วยการเอาตัวอย่างที่เห็นง่ายกว่าเข้ามาเทียบเช่นคนยิงปืนแม่นหรือยิงธนูแม่นในวันที่มีการประกวดหรือแสดง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 เป็นผลงานของการฝึกซ้อมที่ยาวนานเป็นเดือนเป็นปีทั้งหมดโดยที่ความถนัดความสามารถความชำนิชำนาญที่เป็นผลจากการฝึกรามเดือนรามปีทั้งหมดนั้นไม่ว่าทางกายทางจิตใจและทางปัญญาทุกอย่างทุกด้า น, ท, านทุกส่วนทำงานร่วมพร้อมกันทั้งหมดในการยิงขณะเดียวนั้นอนหนึ่งณจุดนี้ละ่ะที่ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะความพร้อมหรือแก่กล้าของอินทรีย์ต่างๆบางคนอาจฝึกซ้อมไม่ต้องมากก็ประสบความสำเร็จโดยง่ายบางคนอาจฝึกหัดใช้เวลานา น, านแต่ฝึกไปสบายๆก็สำเร็จบางคนทั้งฝึกยากลำบากทั้งต้องใช้เวลายาวนานจึงสำเร็จบางคนจะฝึกหัดอย่างไรก็ไม่อาจประสบความสาเร็จได้เลย นอกเหนือจากความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วความสำเร็จและความเช้าเร็วเป็นต้นยังขึ้นต่อปัจจัยอื่นอีกโดยเฉพาะการฝึกที่ถูกวิธีการมีผู้แนะนำหรือครูดีที่เรียกว่ากัลยานมิตรตลอดจนสภาพในกายและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นต้นโดยในยะนี้ท่านจึงจำแนกการปฏิบัติธรรม ที่ประสบความสําเร็จเป็นสีประเภทเรียกว่าปฏิปทาสีคือหนึ่งทุกขาปฏิปทาทัญญาภิญญาปฏิบัติยากลําบากทั้งรู้คือมีอภิญญาช้า 2. ทุกขาปฏิปทากิปปาภิญญาปฏิบัติยากลําบากแต่รู้คือมีอภิญญาเร็ว สสุขขาปฏิปฏาทาธัญญาพินยาปฏิบัติสะดวกสบายแต่รู้คือมีอภินยาช้าสสุข้าปฏิปทาคิด ป, ปาพินยาปฏิบัติสะดวกสบายทั้งรู้คือมีอภินยาเร็วตัว อ, อย่างตามพระบาลีในอังคุตระนิกายว่า พระสารีบุตรเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาพระมหาโมคลานะเป็นทุกขาปฏิปทาขิปาพิญญาน่าสังเกตว่าวิสุทธิมักกล่าวถึงปฏิปทาของพระโมคลานะไม่สู้สอดคล้องกับบาลีในบรรดาองค์ประกอบต่างๆหลายๆอย่างที่ทำให้ปฏิบัติยากหรือง่ายรู้ได้ช้าหรือเร็วนั้น สมาธิก็เป็นปัจจัยแห่งความแตกต่างอย่างหนึ่งด้วยได้กล่าวแล้วว่าผู้ปฏิบัติธรรมอา จ, จเจริญวิปัสสนาไปได้ทันทีโดยอาศัยสมาธิขั้นต้นเพียงเล็กน้อยและก็เป็นไปได้ที่จะบรรลุอาสวะขยายานที่เป็นจุดหมายแต่ใครจะบำเพ็ญสมาธิให้ได้ชานเสียก่อนเป็นฐานมั่นคงแล้วจึงจเจริญวิปัสสนาก็ได้ ความข้อนี้ก็มาชัดขึ้นที่เรื่องปฏิปทา4ีนี้ด้วยกล่าวคือท่านแสดงว่าผู้ที่ได้ฌานสีแล้วจะมีการปฏิบัติที่เป็นสุขขาปฏิปทาคือปฏิบัติสะดวกสบายส่วนผู้ที่เจริญอสุภาสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาและมรณสัญญาเป็นต้นพวกนี้ตามหลักที่ผ่านมาแล้วว่า ได้อย่างมากเพียงปฐมฌานหรือเพียงอุปจารสมาธิจะมีการปฏิบัติที่เป็นทุกขาปฏิปทาคือปฏิบัติยากลำบากไม่สู้ช่ำชื่นในระหว่างปฏิบัติต่อไปนี้เป็นตัวอย่างพุทธพจน์แสดงวิธีปฏิบัติธรรมแนวหนึ่งซึ่งให้เห็นการที่โพธิปัจกิยธรรมทั้งหมดเนื่องอยู่ด้วยกันกันกบมากมีองค์8 และเป็นวิธีปฏิบัติที่มองเพลินเผลินอาจว่าง่ายไม่มีอะไรมากคือสําหรับผู้พร้อมแล้วก็ง่ายแต่ผู้ไม่พร้อมอาจยากและอาจต้องปฏิบัติอะไรอะไรอื่นอีกมากเพื่อทำให้พร้อมภิกษุทั้งหลายบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ตามเป็นจริงซึ่งจากสุซึ่งรูปทั้งหลายซึ่งจากขวิญญาณ ซึ่งจากขู่สัมผัสซึ่งเวทนาสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดขึ้นเพราะจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยยอมไม่ติดใกล้ในจากสุเป็นต้นที่กล่าวมาแล้วนั้นเมื่อเขาไม่ติดใกล้ไม่ผูกรัดตัวไม่ลุ่มหลงเล่งเห็นโทษอยู่อุปาทานนขันห้ายอมถึงความไม่เติบขยายต่อไปตัญหา อันนําให้มีพบใหม่ประกอบด้วยนันท่ราคะซึ่งคลุนไครใฝ่หาในอารมณ์ต่างๆก็ถูกละได้ความกระวนกระวายกายก็ดีความกระวนกระวายใจก็ดีความแผดเผาทางกายก็ดีความแผดเผาทางใจก็ดีความเร่าร้อนกายก็ดีความเร่าร้อนใจก็ดีก็ถูกละได้เขายอมได้สวยทั้งสุขทางกาย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 อันเป็นอริยะอยู่อย่างนี้แม้สติปัะธานสี่ก็ย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์แม้สมรประธานสี่แม้อิทิบาสีแม้อินทรียห้าแม้พละหแม้โพชฌงเจ็ก็ย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เขาย่อมมีธรรมะสองอย่างนี้คือสมถะและวิปัสสนาเข้าเคียงคู่กันไป ธรรมะเหล่าใดพึงกำหนดรู้ด้วยอภิญญาเขาก็กำหนดรู้ด้วยอภิญญาซึ่งธรรมะเหล่านั้นธรรมะเหล่าใดพึงละด้วยอภิญญาเขาก็ละด้วยอภิญญาซึ่งธรรมะเหล่านั้นธรรมะเหล่าใดพึงให้เกิดมีด้วยอภิญญาเขาก็ทำให้เกิดมีด้วยอภิญญาซึ่งธรรมะเหล่านั้นธรรมะเหล่าใด พึงประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาเขาก็ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาซึ่งธรรมะเหล่านั้นคำว่ า, าพิญญาเป็นคำที่น่าศึกษามากคำหนึ่งแปลกันมาว่าปัญญาอันยิ่งหรือความรู้ยิ่งคืออุตตมปัญญาหรืออธิกายาน แปลโดยอาศัยรูปสั์ว่าความรู้เจาะตรงความรู้จำเพาะความรู้เหนือในที่นี้ท่านวงเล็บไว้ว่าประจักษ์ทางประสาททั้งห้าและมีเครื่องหมายคำถามนะครับคัมภีร์อัตถาสารินีและวิสุทธิมักอธิบายว่าปัญญาที่เป็นไปตั้งแต่อุปจาระคืออุปจารสมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิ เรียกว่าอภิญญาคำพีปรมัตธรรมชุสาชี้เฉพาะลงไปอีกว่าอภิญญาคืออัปนาปัญญาปัญญาที่เกิดเมื่อจิตเป็นอัปนาสมาธิภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่าไหน พึงรู้เท่าทันด้วยอภิญยาได้แก่สิ่งที่เรียกว่าอุปาทานนขันห้ากล่าวคือรูปอุปทานขันเวทนาอุปทานขันสัญญาอุปทานขันสังขารอุปทานขันวิญญาณอุปทานนขันธรรมะเหล่านหนพึงละด้วยอภิญยา ได้แก่อวิชาและพวะตัญหาธรรมะเหล่าไหนพึงทําให้เกิดมีคือเจริญด้วยอภิญญาได้แก่สมถะและวิปัสนาธรรมะเหล่าไหนพึงทําให้ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาได้แก่วิชาและวิมุตติ พุทธพจน์จากมัชฌิมนิกายอุปริปันธาข้อความที่ตรัสเกี่ยวกับโสตะคานะชิวหากายมโนโและสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็เป็นอย่างเดียวกันจึงไม่ได้ปลาลงไว้ข้อความท่อนปลายว่าด้วยธรรมะที่พึงกำหนดรู้ด้วยอภิญญาเป็นต้นมีในที่มาอื่นอีกคือสังยุตตนิกายมหาวารวัและอังคุตรนิกายจตุกานิบาต มีพุทธพจน์แห่งหนึ่งจากอังคุตรนิกายทัศกานิบาทสรุปธรรมะทั้งหมดไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนี้พึงตอบชี้แจงแก่เหล่าอัญญาเดรธีปริพาโชคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าแน่ท่านผู้มีอายุหนึ่งธรรมะทั้งปวงมีฉันทาเป็นมูล คือฉันทะมูลกา 2. ธรรมะทั้งปวงมีมณสิกาเป็นที่ก่อตัวคือมณสิการะสัมภวะา 3. ธรรมะทั้งปวงมีภาษะเป็นหลังเกิดคือผัษสมุทธยาสี่ ธรรมะทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ชุมนุมคือเวทนาสมุสารณาอ้าธรรมะทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุข ค, คือสมาธิประมุขขาหกธรรมะทั้งปวงมีสติเป็นเจ้าใหญ่คือสตาทิปเตยยา เธรรมะทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่งคือปัญญุตระ8ธรรมะทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่นคือวิมุตติสารา9ธรรมะทั้งปวงมีอมตะเป็นที่ยังลงคืออมโตคาถา ธรรมะทั้งปวงมีนิพพานเป็นสุดท้ายคือนิพพานะป ร, ะริโยสานาและมีที่คล้ายกันนี้อีกคือในอังคุธรานิกายอัตการนิบาทซึ่งกล่าวถึงสังกัปและวิตักกะเริ่มข้อตนว่ามีนามรูปเป็นอารมณ์นอกนั้นคล้ายกัน อีกแห่งหนึ่งคือจากอังคุตรานิกายจตุการนิบาทตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ครองชีวิตประเสริฐคือพรมจริยะหรือพรมจรันนี้อันมีศิกขาเป็นอนิสง์มีปัญญาเป็นยอดยิ่งมีวิมุติเป็นแก่นมีสติเป็นอาิปไต ชีวิตประเสริฐมีสิกขาเป็นอนิสงค์อย่างไรคือสิกขาฝ่ายอภิสมาจาร์เราบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปของผู้ที่เลื่อมใสแล้วสิกขาฝ่ายอภิสมาจาร์เราบัญญัติไว้ด้วยประการใดสาวกนั้นย่อมถือปฏิบัต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 สาวกนั้นยอมถือปฏิบัติศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายด้วยประการนั้นๆไม่ทำให้ขาดไม่ทำให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยชีวิตประเสริฐมีสิกขาเป็นอนิสงส์อย่างนี้แหลชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างไรคือธรรมะทั้งหลาย เราแสดงแล้วแก่เหล่าสาวกในธรรมวินัยนี้เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบด้วยประการทั้งปวงธรรมะทั้งหลายเราแสดงแล้วด้วยประการใดๆธรรมะเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่สาวกมองเห็นจบท่วนด้วยประการนั้นๆด้วยปัญญาชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างนี้แหล ชีวิตประเสริฐมีวิมุตติเป็นแก่นอย่างไรคือธรรมทั้งหลายเราแสดงแล้วแกเหล่าสาวกในธรรมวินัยนี้เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงธรรมทั้งหลายเราแสดงแล้วโดวยประการใดๆธรรมะเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่สาวกสัมผัสโ ด, ดยประการนั้ น, น, นด้วยวิมุตติชีวิตประเสริฐมีวิมุตติเป็นแก่น อย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายชีวิตประเสริฐมีสติเป็นอธิปไตยอย่างไรคือสาวกมีสติคอยกำกับอยู่เป็นอย่างดีในภายในทีเดียวว่ารอจากบำเพลงสิก้าฝ่ายอภิสมาจาร์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือสิก้าฝ่ายอภิสมาจารย์ ที่บริบูรณ์แล้วเราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างว่าเราจักบำเพ็ญศิกขาฝ่ายอธิปรมอาจารย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือสิกขาฝ่ายอธิปรมอาจารย์ที่บริบูรณ์แล้วเราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างว่าเราจักตรวจพิจารณาเห็นจบทวนซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้มองเห็นจบทวน ด้วยปัญญาในฐานะ น, นั้นๆหรือธรรมะที่มองเห็นจบท่วนแล้วเราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะ น, นั้นๆดังนี้บ้างว่าเราจักสัมผัสธรรมะที่ยังไม่ได้สัมผัสด้วยวิมุมมตติหรือธรรมะที่ได้สัมผัสแล้วเราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะ น, นั้นๆดังนี้บ้างชีวิตประเสริฐมีสติเป็นอธิปไตย อย่างนี้แหละ